ของเราก็เห็นนักทรมานนักอดอาหารรือีชีไพรอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะก็ทรมานขนาดนั้นเคยได้ยินไหมว่ารือีอินเดียตอนนี้มีเห็นอริยสัจ ม, มั้งไม่มีเพราะว่าพวกรือีเนี่ยพวกเนี้ยทรมานตัวอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการวิจัยอริยสัจพร้อมกับการทําอัตากีร่ามัานุโยคเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจริงอยู่ด้วยกรรมบางอย่างที่ทําให้พระองค์เนี่ยต้องไปทําเส้นทางที่ผิดแต่ชาวนะคือใจของพระองค์ก็วิจัยอริยสัจอยู่ตลอด ความที่พระองค์วิจัยอริยสัจมากนี่แหละพระองค์พอทําถึงที่สุดพระองค์รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ทางที่จะทําให้รู้เห็นอริยสัจได้จริงนะเพราะงั้นก็เลยหันกลับไปทําสรีระให้เป็นสัพปายะเนี่ยให้เป็นสัปพายะเช่นร่างกายเนี่ยที่เหมาะสมที่เป็นเหตุใกล้แห่งการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีอะไรบ้างก็เลยไปปฏิบัติได้บริหารรูปปกายอย่างสมบูรณ์แล้วก็มั่นใจได้ว่าคืนนี้ต้องบรรลุอย่างเดียว จนถึงขนาดว่าอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุก ค, คือท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องบรรลุอะไรท่านเข้าใจในทิศทางได้อย่างชัดเจนหมดแล้วว่าถ้าจะบรรลุบรรลุอะไรบรรลุยังไงอะไรยังไงเนี่ยโดยหลักการเนี่ยท่านไม่ได้สับสนเลยนะไม่มีคําว่าเผลอเร่อไม่มีคําว่าสับสนมันท่านทําอะไรทุกอย่างพระ อ, องค์บอกเลยว่าทําด้วยสติสัมปชัญญะนะทำด้วยสติสัมปชัญญะญญไม่ได้ทำด้วยความสับสนไม่ได้ทําด้วยความ หลงลืมเดี๋ยวเราเรียนไปข้างหน้าเรียนในสัจจกะสูตรปันที่สัจจกะนิครนมามาถามปัญหากับพระพุทธเจา้าพระองค์บอกว่าไอ้ที่พระองค์ไปทําตอนที่ทรมานมากๆนั้นไม่ได้หลงลืมไ ม, ม, ไมลล่มีไม่ใช่หลงลืมไม่ใช่ทําด้วยความเผลอเรอทําด้วยความมัวเมาทําด้วยความแบบคนมึนงงไปหมดอะไรไปหมดเบลอไปหมดเลยไม่ใช่สติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่เสมอ ทำแบบคนมีมีเรียกว่าวิจัยได้ทุกละเอียดทุกขั้นตอนหมดว่าในสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นคืออะไร น, นะแปลว่าแสดงว่าเป็นนักสังเกตชั้นเยี่ยมองอนั้นเรียกว่านักสติทิชั้นเยี่ยมเลยนะเพราะไม่มีคําว่าเผลอกับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเผลอขณะเดียวกัน ร, รวบรวมประสบะการณ์ทั้งหมดและคํานวณชัดเจนว่าต้องการอะไรเนี่ยนะต้องการอะไรแล้วไอ้ที่จะได้ตามความต้องการต้องทําอะไรต้องทํำยังไง ท่านก็เลยวิจัยเลือกเฟ้นวบบเมื่อรูปไม่เที่ยงของเราเนี่ยเกิดมาก็พูดกันตั้งเยอะแยะไปหมดไม่เที่ยงนะพูดให้มันเป็นอะไรเอารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดมนต์มาเงีเ้เนี่ยโอ้โหเทราะดีเอาเราพูดว่าไม่เที่ยงหรืออีกภาษาหนึ่งที่แนทนคําว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเราพูดให้มันเป็นอะไรถ้าอย่างคําที่พระพุทธเจ้าท่านคิดเออมันไม่เที่ยง ท่านรู้เลยว่าเมื่อพูดสิ่งที่ควรกําหนดรู้แปลว่าต้องเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็คือเหมือนว่าพูดสิ่งนี้แล้วได้กําไรอะไรกลับมาฉันใดเมื Cry ่อพูดปริญยยธรรมเพื่อต้องการพาเวตาปธรรมเมื่อพูดว่ารูปไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่ควรจะได้อะคืออะไรเมื่อพูดเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งที่จะได้จากการรู้ว่าไม่เที่ยงคืออะไรเมื่อเห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่ได้คืออนิจจานุบัสนา อ น, นิจจานุปัสสนาหรือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเมื่อพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุก์สิ่งที่ได้นั้นคือทุกขานุปัสสนาการพิจารณาว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาความรู้ที่ได้มาคืออนัตตานุปัสสนานี่เมื่อกี้เราบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะ เขามาว่าให้แปลทับสาบเธื้อกลับไปหาของโบราณเก่าๆเธออย่ามาอนัรูปไม่ใช่ตัวตนเลยมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ตัวตนอ่าบอกไม่ใช่ตัวอ่าไม่ใช่ตัวยังไงแท่งทึบอะไรนี้เขาก็ภาษาไทยก็เรียกตัวกันทั้งนั้นแหละมีกี่ตัวล่ะนะเขาไม่พูดมันมี ก, มกี่มีกี่ไม่ใช่ตัวตนเขาจะพูดไงราะไม่มีกี่ตัวถ้ารฤษีมีกี่ตนยักษ์มีกี่ตนมันเป็นสัมมวนโวหารภาษาไทยแต่คําว่าอนัตตาของบาลีมันไม่เหมือนกับของไทยหรอก อนัตตานั้นนหมายถึงว่าณอัตาอนัตตาณอัตาแต่ว่ามิใช่อัตามิใช่อัตาแบบเพื่อเดรัจฉีคิดขึ้นแบบหลักการของลัทธิภายนอกคิดขึ้นณปฏิเสธบอกไม่มีอย่างที่คุณว่าณอนัตตาก็เลยเรียกณอัตาก็ย่อมาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่อัตานั้นถ้าจะแปลตามตามศับที่คงอัดเอาไว้ก็คือรูปเป็นอนัตตา คือรูปไม่ใช่อัตตาเนื่องจากรูปไม่ใช่อัตตานี่แหละจึงไม่มีผู้ใดมีอำนาจในรูปจริงๆรูปมีอยู่ไม่ได้กล่าวว่ารูปไม่มีรูปมันมีทีนี้รูปมีนับหนึ่งนับสองนับสิบเคลื่อนว่านับตามอะไรนะเป็นแท่งอัตตาถ้าเป็นภาษาไทยแบบสองแท่งสามแท่งถ้าเป็นบาลีเขาไม่เรียกนะเอกังอย่างนะี้เขาใช้คําว่าเอกังอย่างโซมน า, า, า, านาสาสาคตังยานสัมปยุตังอาสังขาริเมกังไ ม, ม่มันหนึงเอ้อ โสมนัสสาสะกตังมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งประกอบด้วยโสมนัสสาสะกตังยานสัมปยุ ต, ตังอาสังขาริกังเนี่ยนะบอกจิตที่อะไรโสมนัสประกอบด้วยโสมนัสญาณสัม ป, ย, มรรมปยุตยไม่มีการชักชวนหนึ่งดวงสองดวงอันนี้มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเขาไม่มีว่าเขาตามหลังเนี่ยเขาจะมีแต่หนึ่งอะจิตดวงที่หนึ่งเออหมายว่าจิตหนึ่งหรือว่า มีแต่หนึ่งสองสมสี่ัน 1, 2, 3, 4, จะไม่บอกว่าข้างหลังอคืออะไรแต่ภาษาไทยนี่ใช้ว่าหนึ่งแท่งถ้ากระของหนึ่งแท่งดอกไม้หนึ่งดอกอะไรเราจะมีมีภาษาแต่เขาจะมีแค่หนึ่งมีแค่สองมันอย่างคําว่าไม่บางอย่างก็เหมือนกันถ้าอย่างภาษาไทยถ้าบัวควายเป็นต้นหมูมา้าเขาเรียกว่าเป็นตัวเอามาตัวมาเอามาสองตัวสมตัวสี่ตัวห้าตัวถ้าบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นตนเป็นตนมันคําว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเอมันคืออะไรนี่เราจะไปวิจัยให้มันเป็นอะไร มันก็เลยไม่ได้อัตตาที่แท้จริงนั้นอนาัตตานี่หมายก็ว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะแต่ไม่ได้มีอยู่ในฐานะว่าเป็นใครหรือหรืออคติว่าไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่ของอัตตาไม่มีอัตตาไปเป็นเจ้าของไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปมีอยู่ประกอบด้วยภูตรูปและมหาภูตรูปรูปและภูตรูปเกิดจากสมุทฐานเหล่านั้น รูปมีอยู่ปัจจัยแห่งรูปมีอยู่โดยความเป็นเหตุเป็นผลรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจึงเมื่อรูปคือรูปปัจจัยของรูปคือปัจจัยของรูปรูปและปัจจัยของรูปมันไม่ใช่ใครรูปจะเกิดเพราะปัจจัยเกิดถ้ารูปแตกทําลายก็เพราะสิ้นปัจจัยทีนี้รูปเมื่อปัจจัยแตกทําลายใครไปขอมีผู้ใดมีอํานาจจริงไหมรูปที่ไม่เที่ยงขอจงเที่ยงไปมีอํานาจในสิ่งนั้นจริงไหม ไม่จริงเมื่อมีใครมีอำนาจจริงขอเช่นไอ้ที่ขอเกิดมาแล้วขออย่าแก่กที่แก่แล้วก็ขออย่าตายที่ตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกใครมีอำนาจจริงๆริงบ้งหรือไม่มีอำนาจจริงวะเช่นว่าออย่างใครใครที่บอกว่าจักขุเป็นอัตตาคําของคนที่พูดนั้นไม่ควรเพราะอะไรเพราะจักสุ ม, มันมีทั้งเหตุเกิดถ้ามันมีเหตุเพราะมันก็ทําให้เกิดถ้ามันสิ้นปจัจจัยมันก็แตกทําลายไปแล้วมีใครมีอำนาจว่าขอจักสุ ของเราจงเป็นอย่างนี้หรือไปมีอํานาจว่าไอ้ที่เกิดแล้วจงมาอยากแตกอยากทาลายผู้ใดมีอํานาจจริงๆไหมมีไห ม, มไม่มีเพราะฉะนั้นแหละรูปจึงเป็นอนัตตาแั้วใครที่ไปบอกว่าจักขคูเป็นอัตตาไม่ควรเพราะในจักขคู่มีใครอยู่ในจักขคู่ไหมว่จาจักรคู่เป็นองค์ประกอบนั้นคำว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นภาษาไทยบางทีทําให้คิดเป็นเป็นอื่นไปทําให้เข้าใจยากไม่ใช่ภาษาไม่ดี แต่เราเอามาใช้ไม่ถูกสถานที่เท่านั้นเองก็เลยเทนที่มาของไปคิดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยมันแม้กระทั่งคําว่ารูปไม่ใช่ตัวตนหรือที่เรียกว่ารูปเป็นอนัตตาการพูดรูปเป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อบ่มปัญญาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกัปปะอันนก็อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอนั่นเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอ น, นั่นเป็นสัจจานุปัสส จ, จา นู่นลมนี่กัยานอาศัยสมาธิเป็นบาเรียกว่าจิตตวิสุทธิอาศัยศีลเป็นบาเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิเป็นบาแทงทิฏฐิเป็นต้นจนถึงมัคคามัคคายาณทัศนวิสุทธิถ้าอนิจจานุปัสสนาก็คือปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเมื่อรวบรวมวิสุทธิทั้งศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิถ้ารวมตัวกันได้เมื่อไหร่ก็ เป็นอริยมรรคนั้นไอการตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตานั้นจึงขออภัอ น, นิจจานั้นก็คือเพื่อเจริญอ น, นิมิตาวิโมกเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์เพื่อเจริญอปปนิหิตตาวิโมกเมื่อเจริญอนัตตานุปัสนาก็เพื่อเจริญสุญญาตาวิโมกวิโมกสามย่อม น, นำมาซึ่งนิพพานเพราะเพราะอริยมรรคเหล่านั้นเป็นประตูแห่งพระนิพพานท่านการพูด รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเนี่ยคือการทำปริญญาในสิ่งที่ควรกําหนดรู้วัตถุประสงค์มีอย่างเดียวคือเพื่อจะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนะี่ยเพราะต้องเจริญในสิ่งที่ควรเจริญจึงนําออกจากวัฏตะได้สมัยก่อนเขาฟังและเขาเข้าใจานะเพราะเขาฟังอนัตตาลักษณะสูตรเขาจึงเป็นพระอรหันต์เพราะฟังจบเขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทำกิจอริยสัตว์ตรัสรู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ มันในสมัยหลังเนี่ยฟังแล้วอย่างว่าทำวัดเช้าเนี่ยนะที่เราสวดสวดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรามาก็ชื่นชมว่าโบราณใ น, นท่านเก่งมากท่านรวบรวมแนแนวให้เราบ่มนิสัยบ่มอัธยาศัยสวดรู้ไม่รู้ไปสวดไปเถอะเดี๋ยวกสักวันหนึ่งอาจจะโตขึ้นฉลาดขึ้นอาจจะรู้ก็ได้ น, นะเขาก็วางวางเอาไว้เนี่ยนะก็เลยนั้นในที่สุดถ้าเราเข้าใจดีจริงๆเอาบทสวดเหล่านั้นมาให้ครนให้ดีๆเนี่ยนะนั่นคือทางแห่งความพ้นทุกข์ พระพุทเจ้าท่านคิดสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องใครบอกเลยเรียกว่าจินตานจินตายะปัญญาสำเร็จได้ด้วยความคิดความคิดเหล่านั้นก็เกิดจากอะไรความคิดที่เป็นวิปัสสนาเหล่านั้นเนี่ยความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านั้นอ่ะคิดได้เองเนี่ยมาจากอะไรมาจากอุปนิสัยที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีะนะวันก่อนทูดอะไรปุปพพโยคะวจรสูตร ใ, ในสุตตานิบาตว่าผลของการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วพระประเจกที่ท่านคิดได้ไต้องแปลใจรอกว่าท่านเคยคิดอย่างนี้มาตั้งสองหมื่นปีพอตอนหลังมาคิดอย่างนี้ได้อีกจะไปแปลกใจทําไมอย่างพระพุทธเจ้าท่านคิดแนว น, น, น, วนี้ท่านคิดหลักการอันนี้มาเสี่สงไขแล้วท่านก็เลยคิดได้เอ๊ของเรานี่ยปัญหาว่าอการพูดบางคนนะก็ท่านคิดมานานแล้วของเราไม่เคยคิดมาก่อนแต่ก็ไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะคิดตามนะ พูดเพื่อจะทอก็เราไม่ได้สังสมบุญมาประมาณนั้นนะอ้างไปเรื่อยมันคําพูดบางอย่างเนี่ยพูดในน้อยเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะได้บอกว่าเออฉันโง่อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะยังใช้ได้ให้อภัยได้เสมอใช่ไหมให้อภัยได้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าเออนี่เราน้อยนี่นะถ้าเราสะสมแบบท่านนะถ้าเราใช้เวลาเหมือนท่านคิดเหมือนท่านเป็นไปในแนวเดียวกันกันกบท่านสักวันหนึ่งเราก็ต้องเดินตามท่านรู้แบบท่านแน่นอนเ อ, อ๊ทายังไงเราจะคิดได้เหมือนท่านถ้าอย่างนี้แนวโน้มเจริญ แต่ว่าโอ้กเรามันบุญน้อยกว่าเรามันปุตุชนพวกนี้อนุรักษ์นิยมรักษาไว้ดีเยี่ยมคงสถานะไว้ตัวเองไม่น้อมไปเพื่อการพัฒนาว่าไงดั้ น, นั้นคําสอนในของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์จะพูดในแง่ไหนแสดงในแง่ไหนเพื่อสร้างความเพียรขึ้นมานะเพื่อให้ตั้งอัตตสัมมาปณิทิหลายสูตรพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อให้พระที่สูตรทั้งหลายกย็ยิมใจกย็ยิมภาษาไทยเนะแต่มันเข้าใจยากก็ยิมนี่แปลว่าอะไรเคยได้ยินไหม เช่นสัตว์นรกกรยิมกับผู้ที่ไปสวรรค์กรยิมเนี่ยมเป็นภาษาไทยแต่ถ้าแปลเป็นความหมายภาษาชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งแปลหลายชั้นนึกนะเลยเนาะแล้วก็กลับไปเรียนภาษาไทยใหม่นะมั่งดูท่าแล้วคาว่ากยิมเนี่ยนะเช่นสัตว์นรกกรยิมกับผู้ที่จะไปสวรรค์แปลเป็นภาษาไทยว่าสัตว์นรกเห็นผู้ไปสวรรค์จใจคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราบ้งนั่นแนหะแปลว่ากรยิมในพระไตรปิฎกเนะ น, นี่ยสัมโนน ไม่รู้ท่านมาหาท่านเอามาจากไหนก็มาแปลว่ากระยิมแปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งทวนนะว่ากระยิมแปลว่ามีใจที่อยากเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะมีใจว่าฉันก็จะเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งจนได้นั่นแหละสัตว์นรกเห็นผู้ที่ไปสวรรค์ก็กระยิมในใจสักวันหนึ่งฉันต้องไปสวรรค์บ้างฉันใดผู้ที่ฟังทำคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้าใจก็ยิมขึ้นมาเลยว่าฉันจะเป็นอย่างนี้แหละฉันจะเป็นอย่างนี้ละสักวันหนึ่งสักวันหนึ่ง สักชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าจะต้องอยังต้องเป็นอย่างนี้อะขอตอนนี้ขออุปสัรคสร้างอุปนิสัยก่อนขูดร่องความคิดให้มันไหลไปทางนี้ก่อนเอ้าคิดไหมว่าตัวเองกําลังสร้างอุปนิสัยอยู่คือคือมันต้องมีความชัดเจนนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแปลว่าอะไรตอนนี้เข้าใจว่าการเจริญทุกอย่างเนี่ยนะเขาเรียกว่าอนุธรรมะเป็นการเจริญธรรมเล็กน้อยเพื่อให้คล้อยตามธรรมใหญ่ ทำเจริญกุศลธรรมที่เล็กน้อยคล้อยตามทมใหญ่ครูร่องมีเป้าหมายชัดเจนเคยได้ยินไว้อย่า ง, อ ย, างอย่างสมัยก่อนนะเขาบ่าโอ้เด็กบ้านนอกโอไปไปเล่าไปเรียนบางวิชาแล้วเขาอยากไปสอบไปสมัครแสดงว่าใจเขาจริงๆเขาอยากได้ตำแหน่งมาตําแหน่งอยู่แล้วก็เดินตามเส้นทางอันนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทั้งสอบทั้งสมัครทั้งทั้งได้รับการคัดเลือกอในที่สุดก็ได้เป็นอย่างที่เขา เป้าหมายชั้นใดคาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือดําเนินตามเส้นทางแห่งโลกอุตรธรรมก้เว่าเป้าหมายชัดเจนเลยว่าร่องร่องแนวความคิดของตัวเองเนี่ยขอไหลไปไหนจะไหลไปไหนความคิดที่เราคิดตอนเนี้ยที่เป็นบุญอยู่ขนาดเนี้ยเพื่ออะไรเอาถ้ามีปัญญาในปัญญารู้อะไรปัญญารู้อดีตปัญญารู้อนาคตปัญญารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตนะ วอาโอ้ฉันมีปัญญาก็เลยอยู่กับปัจจุบันได้ น, นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาที่เป็นคำสอนปัญญาที่เป็นคาสอนเนี่ยเ ป, เป็นเกิดจากการคำนวณเสร็จหมดแล้วว่าอะไรควรอะไรไปยังไงมายังไงเนี่ยนะทันพอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าโลกุตระธรธรมนะฉันกำหนดรอบรู้สิ่งนี้นะเช่นวิปัสสนาที่ตามเห็นรูปว่าไม่เที่ยง เขาน้อมเลยว่าปัญญาตัวนี้จะต้องโตให้เป็นโลกุตระเมื่อฉันเห็นรูปว่าไม่เที่ยงฉันต้องหลีกออกจากรูปได้อนะีเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะก็ขอให้ฟังให้ดีนะเพื่อให้เห็นว่าทิศทางของการพิจารณาเริยสัตว์เป็นอย่างไรเมื่อตามเห็นรูปว่าไม่เที่ยงอ่ะต้องการจะอยู่กับรูปที่ไม่เที่ยงไหมชีวิตนี้ขอเฝ้ารูปที่ไม่เที่ยงนี่แหละ คิดอย่างนั้นไหมเป้าหมายต้องการอย่างนี้เลยมาเจริญวิปัสนาเห็นว่าไม่เที่ยงจะได้อยู่ความสุขกับความไม่เที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมต้องการหลีกออกจากความไม่เที่ยงเห็นโทษของความไม่เที่ยงต้องการหลีกออกจากความไม่เที่ยงแต่การที่จะหลีกออกจากความไม่เที่ยงเนี่ยนะด้วยอนิจจานุปัสนาพอไหมไม่พอต้องหลีกออกด้วยอริยมรรคขอปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงจงเป็นไปเพื่ออริยมรรคเห็นทำเป็นที่หลีกออกจากรูปที่ไม่เที่ยงเถอะ เนี่ยนะก็ว่ามีมันมีความชัดเจนนะเอะรูปที่ไม่เที่ยงเพื่อนน้อมไปหาพระนิพพานที่เป็นที่ดับรูปวิปัสนาปัญญาเนี่ยน้อมไปเพื่อโลกุตระปัญญาอะปัญญาระดับล่างน้อมไปเพื่อโลกุตระปัญญาระดับสูงที่เป็นกา ม, มาวจรเป็นมหากุศลเพิ่มให้ทํำยังไงอะแปรสภาพจากมหากุสลธรรมนาเป็นโลกุตระ เนี่ยนะเขาเรียกว่าพยายามถอนตัวออกอยู่ตลอดเวลาเจริญเพื่อถอนตัวท้าปัญญาอย่างเดียวบรรลุได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุไปสมาธิสมาธิมีสติสติมีวิริยะวิริยะมีศีลศีลมีกุศลวิตกกุศลวิตกมาจากมีปัญญามันก็หมุนรอบตัวกันไปนั่นแหละเจริญจนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์เนี่ยนะกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นจึงจะบริบูรณ์ผู้ที่คิดอย่างนี้ได้เองเนี่ยนะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีจินตามายาปัญญา คิดได้ยังไงเนี่ยนะคันั้นคือสิ่งที่น่าคิดว่าเป็นโจทย์อันหนึ่งที่พยายามตั้งใจที่ศึกษาจริยาปิดกนะที่อธิบายจริยาปิดกอันหนึ่งเหตุผลเพื่อต้องการอยากรู้ว่าพระโพธิสัตว์ท่านคิดได้อย่างไรในชาติสุดท้ายเนี่ยนะท่านคิดได้ยังไงทําไมท่านจึงคิดได้เบื้องหลังความคิดเหล่านั้นอ่ะท่านต้องคิดอะไรมาก่อนหน้านั้นคิดให้ทานอย่างไรคิดรักษาศีลอย่างไรคิดเจริญ สมถาวิปัสนาเป็นต้นอย่างไรเพราะบารมีสิบท่านก็คิดได้เองอีกก็เนื่องจากสั่งสมมาในอดีตเป็นอย่างดีท่านก็คิดได้เองอีกและไอคิดเองเนี่ยคิดสร้างฐานทางความคิดเนี่ยใช้เวลา น, านานขนาดไหนความคิดจึงเติบโตเต็มที่ในที่สุดความคิดอันนี้ที่เป็นวิปัสนาเราเนี่ยเป็นฐานรองรับสัพพัญญุตยานเนี่ยนะท่านคิดได้ยังไงท่านท่านอาศัยเหตุปัจจัยอะไร ท่านสังสมอะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่งท่านคิดว่ายังไงแล้วท่านน้อมความคิดของท่านให้ไปเป็นอะไรเมื่อเป็นอะไรแล้วมันดีอย่างไรเนี่ยนะแล้วมันมีผลต่อตัวเองอย่างไรช่วยเหลือตัวเองอย่างไรช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเพราะอันนั้นเป็นลักษณะของเรียกว่าจินตามายาปัญญาวิจัยเองแล้วคนที่พวกอะรคิดอะไรเองนะก็แปลว่าสมัยนั้นเขาไม่มีใครคิดแบบนั้น เมื่ออยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่คนเขาไม่คิดอย่างนี้แล้วตัวเองต้องคิดอย่างนี้คนเดียวอะ่ะคันจะเป็นยังไงเนี่ยนะถือว่าอุปสรรคเต็มร้อยบบงนั้นเถอะอุปสรรคเต็มร้อยใครเห็นด้วยบ้างอา่ะจะคิดง่ายๆว่าท่านบวชไม่ใครเห็นด้วยบ้างเขาล็อกวังนะพระเจ้าสุดโทธนะล็อกไว้อย่างดีเลยห้ามเด็ดขาดลูกเราเป็นจักรพรรดิอย่างเดียวนะบวชไม่ได้เนี่ยนะไปคิดเองไปเจริญนิพพานาทําไมถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเถอะแต่ว่าเนี่ยเป็นจักรพรรดิดีกว่า จะได้มีอำนาจมีกษัตริย์พ่อม้อล้อมอู้ไปไหนสบายโก้จะตายเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักบวชแต่โก้ตรงไหนครับคื อ, ค, อคือก็คิดแบบนั้นอ่ะนะท่านท่านคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามใช้คําว่าทวนกระแสทางความคิดตลอดเป็นความคิดที่คนอื่นเขาไม่คิดเนี่ยนะอย่างเช่นคนเราทั่วๆไปนี่เห็นนะไอะ้รูปไม่เที่ยงว่าเห็นเกิดแก่เจ็บตายว่ใช่แต่ถามว่ามันได้อะไรมั่งจากความเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าเห็นเป็นงานศพมาตั้งเยอะแยะได้อะไรบ้าง ได้อนิจจานุปัสสนาได้มรณานุสติมันเกือบบรรลุแล้วอีกหน่อยนะฉันเห็นคนตายแบบนี้ไม่นานนะฉันจะต้องออกจากความตายได้โอ้ยคิดอย่างนี้ยังไม่คิดเลยจะกล่าวไปใหยถึงไนะเออเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปนะนี่มันญาติเรานะรู้จักกันมานานนะเขาหุงข้าวต้มแกงให้กินตั้งนานไม่ไปก็เดี๋ยวเขาจะว่าเอาอย่าให้ลงเลง้ลงเนาะก็ต้องไปก่อนนะี่ยนะเขาเคยช่วยเหลือเราเขามีอุปการะต่อเรานี่มันเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นั้นญาติเก่าญาติแก่แล้วก็ว่ากันบาเนี่ยนะแล้วก็ไปไ ป, ไปเสร็จแล้วก็ กลับมาก็ได้ตามเดิมเนี่ยใช้เวลาชีวิตหมดอีกวันหนึ่งเหลือยิ่งเหลือไม่ค่อยมากอยู่แล้วเนี่ยนะก็หมดไปก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปแต่มาว่าไปแล้วมันได้อะไรบ้างมันฉลาดอะไรขึ้นบ้างมีปัญญาโตขึ้นบ้างไม่จเจริญมรรคแปดได้ไหมอะไรไหมเพราะว่าสาระอะไรพระศาสนาก็เพื่อจเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญทําอะไรแล้วไม่ได้จเจริญกุศลธลรมทกุศ ล, ลไม่จเจริญ น, นี่มันแปลว่าก็แปลว่าขาดทุนน่ะแปลว่าอากุศลจเจริญ แล้วว่าไม่ได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าดูท่าจะยากที่จะได้มรดกพระองค์เนี่ยนะเอาพระองค์บอกให้เป็นธรรมธายาธไม่ใช่เลยถ้าเราไม่คิดตามพระองค์ไม่เอาใจพระองค์มากๆนั้นยากจะได้มรดกของพระองค์โพธิปัคคยธรรมเนี่ยนะอริยะซาประรัตนาเหล่านั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพระองค์ตนีทีเนี้ยอะไรหรอกแต่ว่าไม่มีคุณนสมบัติพอเนี่ยนะจะได้รัตนาเหล่านี้ไปก็ละเลงเกลี้ยงหมดนะ ก็เลยทําตัวไม่คู่ควรที่จะได้รับว่างั้นกลัวมันอะไรนะเอาไปแล้วแทนที่จะได้ดีกับเสียหายมันมีอยู่เรื่องหนึ่งในในสุตสโสมฉาดกัมีไอ้พราหมณคนหนึ่งนะพราหมณ์ที่เขาทรงจําเขาไม่ได้จําหรอกเขาจดจดจดมาเขาก็อ่านเรียกว่าสตารหะคาถ า, าเขาไปอ่านที่ไหนเนี่ยจะได้คาถาละร้อยคาถาละร้อยก็เลยรักสตารหะคาถา ไปเที่ยวอ่านให้คนฟังอนะนะแต่ว่าโขาต้องเลือกเลยไนมะ่ต้องมีสตังค์ด้วยมีศรัทธาด้วยมีอะไรด้วยพออ่านจบเขาจะกระสัดทั้งหลายจะจ่ายเลยสี่ร้อยสี่ร้อยนะก็ถือว่าสมัยนั้นก็โอ้หสี่ร้อยนี่เยอะมากรวยมากเลยนะวันนี้ก็หลักมูลค่าเป็นหลายแสนเลยนะเท่ากับคาถาละแสนเป็นอย่างน้อยนะก็สี่แสนนั้นไปอัเที่ยวอ่านตามเมืองต่างๆโหใครฟังก็จ่ายเลยร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยรวยเลยอันนี้ก็มามาันจะมาอ่านให้พระเจ้าสุตสมฟังเจ้าสุตสมพออ่านฟังจบ ก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่คำของคนทั่วๆไปนะนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่เป็นพุทธพจน์แน่นอนเพราบอกว่าเอาอะไรเป็นเครื่องบูชาเนี่ยนะบอกว่าที่จริงแล้วสมบัติรัตนะในโลกนี้ไม่คู่ควรแก่การบูชาเพราะว่ามันนําออกจากโลกอะ่ะแคร่ว่าสิ่งที่นําออกจากโลกแล้วจะต้องเอาเอาเอ า, เอาของในโลกเท่าไหร่มาบูชานะจึงจะสมควรเหมือนกันเถอะบอกว่าโอ้โมันแค่น้อยไปเหมงอนกัน แล้วก็ไล่อีกแต่ก็คิดไปคิดมาอะไรที่จะคู่ควรกับการบูชาพระธรรมไม่มีแต่แล้วก็คิดว่าเอ๊ก็คิดว่าเอเราหน้าน่าจะให้ราชสสมบัติแก่พราหมณ์ดูแล้วดูลักษณะพระเจ้าสุตโสมนี้ฉลาดมากเป็นคนที่ไปเรียนรู้มีศิลปวิทยาทุกศาสตร์ทุกแขนงเนี่ยดูลักษณะของตาคนนี้แล้วเนี่ยให้แผ่นดินก็บริหารแผ่นดินไม่อยู่แล้วก็ดูอีกอตามลักษณะเนี่ยนะตามลักษณะพฤติกรรมของคนนี้ เสนาบดีเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้ในที่สุดเป็นผู้ใหญ่บ้างก็เป็นไม่ได้ตามลักษณะคือเรียกว่าดูตามตําราแล้วเป็นใหญ่เป็นตัวอะไรไม่ได้เลยก็เลยในที่สุดก็เลยบอกบอกตรงๆว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยไม่รู้จักสินค้าของตัวเองว่ามันมีที่ไหนราคาร้อยหนึ่งต้องราคาพันเรียกว่าสหัสสาระหะครับต้องควรพัน 1, สิก็เลยให้ไปคถาละพันคาถารพันแต่ทีนี้พระเจ้าสุตโสมเนี่ยบูชาคาถาละพันคาถา ท, ที่พูดถึงการไม่ควบคนพานพูดถึงอนิจจังพูดถึงความคุณงามความดีของโลกุตระธรรมเนี่ยนะในคาถาเหล่านั้นซึ่งถ้าใครเข้าใจปฏิบัติตามก็นำออกจากวัตตะอยู่แล้วละ่ะทีนี้ก็โหพ่อของพระเจ้าสุตสมพอได้ฟังนี่โกรธลูกชายมากมีที่ไหนต้องไปจ่ายทั้งพันหนึ่งจ่ายแปดสิบเก้าสิบร้อยก็พอแล้วโกรธลูกมากเนี่ยนะโกรธมาก เสรแล้วบอกว่าเอ้าเนี่ยพ่อทําเป็นตณนนีอะไรเดินแค่นี้ผมฉันลาไปตายแล้วเหมือนกันไปเสียใจมากเลยกลายเป็นคือบางคนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรมีคุณอะไรไม่มีคุณเป็นต้นก็เลยเไม่รู้ที่จะรักษาอะไรเป็นอะไรชั้นใดย้อนกลับมาว่าถ้าเราศึกษาธรรมะไม่คู่ควรแก่พะ ร, ร, ะะ ร, กระธรรมรัตนะเจริญกุศลธรรมไม่เพียงพอที่จะรับธรรมรัตนะ เป็นวิชาเองที่สอบเองให้คะแนนเองมั่นใจเองรับรองเองอะไรเองตรวจตราเองมีใจเองจริงไหมอะไรไหมคนอื่นก็เพียงแต่คนแนแนวอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละอย่างครูพระาพระพุทธเจ้าก็แนแนวอย่างสมบูรณ์นะพระองค์เป็นเพราะเป็นเจ้าของก็แนแนวให้อะไรให้อย่างที่เรามาเรียนมาศึกษาเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจให้ชัดเจนเพราะสิ่งเหล่านี้ความเจริญความเสื่อมก็เรียกว่าเฉพาะตนนะแต่ว่าคนที่คิดได้อย่างอย่างตามคําสอนได้อย่างนี้ พอมาคิดว่ากว่าจะอ่านรู้เรื่องว่าท่านพูดว่าอะไรนี่ก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยนะต้องสมาทานทําบุญตั้งความปราศนาขอให้เข้าใจเถอะว่าท่านพูดอะไรท่านอยากให้เรารู้อะไรรู้ให้มันเป็นอะไรก่อนคือแต่ว่าไอ้สมัยใหม่นี่มันก็แปลกเข้ามานี่เหนื่อยอยู่เรื่องหนึ่งตัวเองคิดอะไรแล้วอยากให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วก็มาวุ่นวายอยู่กับตรงนั้นเนี่ยมากจนไม่เลยรู้ว่าคําสอนเนี่ยคืออะไรเพื่ออะไรทําไม นั้นเราให้โอคนไปหาคําสอนเธออย่าไปวุ่นอย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกันมากมายเลยมันเหนื่อยเปล่าๆแต่ถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านอยากให้เรารู้อะไรท่านอยากให้เราคิดอะไรท่านอยากให้เราตรึกอะไรปฏิบัติให้เป็นอะไรต่างหากตรงนั้นสําคัญที่สุดเนี่ยนะแต่ละสูตรพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรสิ่งเหล่านี้พระองค์แสดงต้องการอะไรพระองค์ร้องเรียกอะไรจากเราพระองค์ต้องการอะไรเนี่ยนะจับสาระตรงนี้ในการศึกษาเธอแต่ถ้าไม่จับตรงนี้ในการศึกษานะ ต่อให้เลยถ้ามีเวลายู่ยืนอีกห้าพันปีมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาให้คิดต้องพยายามสมาทานเถอกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมคล้อยตามคําสอนทําได้ไม่ได้ไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเข้าใจไหมล่ะที่พระองค์ต้องการเข้าใจไหมเพราะบางอย่างถึงเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเนนีนะ่พยายามปรับความเข้าใจโน้มโอนตามคําสอนไปเถอะหันไปหาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้อะไร พระองค์สอนพระองค์อยากให้เรารู้อะไรสาวกทั้งหลายสมัยนั้นเขารู้อะไรแล้วเราจะรู้ตามได้ไหมเรามีสิทธิไหมนี่ถ้าเราจะมีสิทธิเราต้องทำยังไงบ้างที่จะโอนตามท่านอย่างเดียวพยายามน้อมเอาคิดไว้เลยลักษณะนี้ว่าสมัครเพื่อจะรับอริยทรัพย์จากพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้าเราคิดเอาเองเออเองโอเอ ง, เอเองแล้วก็ สังสมมาเท่าไรนะแต่ถ้ามีบุญก็อาจจะฐานะผู้มีบุญก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้ารู้ว่าบุญน้อยเนี่ยนะบุญน้อยก็พึ่งผู้มีบุญพึ่งผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธังสรารนังฆาชามิเป็นต้นต้องหนักแน่นให้ดีๆเพราะว่าการเจริญภาวนาเนี่ยประมิมีสั้งัำถามอ่ะเอ๊ะทำไมพูดถึงการเจริญวิปัสสนาทําไมเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างเดียว เราเออเองว่าเองอะไรเองไม่ได้หรือก็เราพิจารณาได้ขนาดนี้แล้วท่านแนะนําเราถึงขนาดนี้แล้วต่อไปเราขอทําเองได้ไม่ใช่หรือเนี่ยนะนั่นแหละได้เปเลยแหละเชีถ้าหากว่าไม่เอาตามพระรัตนตรัยอย่างเดียวยิ่งเปมากขึ้นเท่านั้นยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยนะสํานวนว่าแบบคนระดับล่างๆนะท่ามียศมีตําแหน่งหน่อยท่าไม่เกรงใจพระราชาเมื่อไหร่เจงเนี่ย ถ้ามียศมีตําแหน่งนะถ้าไม่เกรงใจผู้ที่สูงที่สุดเจ้าของจริงจิงเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนฉันใดการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นยิ่งเจริญคุณธรรมชั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องเอาใจพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระมีอยู่สูตรนะบอกข้าพเจ้าเลิกบำเรอไฟเลิกบำเรออย่างอื่นนะฮัมาบำเรอพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนี้คํานี้ใครพูดบอกพระอรหันต์นะพูดพระอรหันต์บำเรออย่างเดียวคือบำเรอพระพุทธเจ้า คำว่าบำเรอพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าอะไรนะปริจาริยารับใช้พระพุทธเจ้าทั้งกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมรับใช้ทั้งความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างโอนตามพระพุทธเจ้าหมดแล้วทุกท่านเหล่านั้นพูดเหมือนกันหมดการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมาโดยเสียประโยชน์นะที่แท้เป็นการมาที่ดียี่ยมจริงๆเลยนะอ้หน้ามาจริงๆอ่านเลยในะ เจริยาปิฎกกับในายอับบทานนะท่านเหล่านั้นท่านบอกอท่านดีใจที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่สูญเปล่าจริงๆฉันใดที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนก็ให้นึกไว้ฉันนั้นเธอเนีนะพยายามตั้งไว้เถอะที่พุทธังสารนังคัจฉามีที่ขอมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่อยากเสื่อมจากพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพูดยังไงก็ได้ให้เราพันธันร้อยกับพระพุทธเจ้าให้ตลอดเดี๋ยวเราจะเสื่อมจากพระพุทธเจ้า นนะเพราะถาเราเสื่อมจากพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะบอกว่าเสื่อมจากหลังเราเลิกนับถือจกักรพรรดิเมื่อไหร่ก็กลับไปหาจันทานตามเดิมเพราะงั้นเนาไม่ไหว น, น, นะกลัวจริงเลยเย้อนกลับมานะว่านะเมื่อเห็นรูปไม่เที่ยงเพื่ออนิจานุปัสนาทุกอะนะเห็นรูปเป็นทุกเพื่อทุกขานุปัสนาเห็นรูปเป็นอนัตตาเพื่ออนัตตานุปัสนาเป็นต้นที่ที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้านะสะรุปว่า ใครที่คิดกรรมสกตาได้เองเนี่ยรู้โดยเฉพาะย้อนหลังมาว่าถ้ามีกรรมสกตาปัญญาเนี่ยนะบางแห่งอธิบายว่ากรรมสกตาเนี่ยได้เฉพาะความรู้ว่ากรรมเป็นของตนนี่แปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นของตนเนี่ยนะอกุศลไม่ใช่ของตนอกุศลเนี่ยมันนำมาซึ่งความเบียดเบียนนำมาซึ่งความเสียหายนำมาซึ่งความเดือดร้อนนำมาซึ่งความทุกข์ความยาก ความลําบากนํามาซึ่งน้ําแค่เรียกว่าจ่ายถูกที่สุดเลยนะคือต้องเสียงเหงื่อมาเงินเหงื่อท่วมเลยนะจ่ายแพงอันนั้นก็เสียเสียใจแพงกันนั้นเนี่ยหลังน้ําตาออกมาเลยเนี่ยเสียน้ําตาแต่ก็เสียเลือดพวกนั้นก็น้อยพวก็เสียชีวิตอะแค่เรียกว่าเสียวัยวะเสียวัยวะก็ยังน้อยถ้าเทียบกบเสียชีวิตเสียชีวิตก็ถือว่ายังเสียน้อยถ้าเทียบก็ต้องไปสู่อบายทุกติวินิบาตินะจากอบายสู่อบายจากพบสู่พพเนี่ยนะ ันั้นบาปกรรมเหล่านั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่ของตนเพราะมันมันเป็นศัตรูของตนเป็นผู้ประทุสร้ า, ายตนมุ่งทำลายตนเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับพวกจรวดหรือพวกเครื่องบินอะไรที่จะบินสู่ตัวใดที่มันเป็นตัวที่ทำให้ระเบิดตัวนั้นเรียกว่าเป็นของเครื่องบินไหมเรียกว่าส่วนเกินที่เป็นตัวสร้างความเสียหายสร้างความทาลายให้แก่เครื่องบินสร้างความเสียหายให้แก่จรวดเป็นต้นฉันใด สิ่งใดก็ตามที่ทำลายคุณงามความดีบุญกุศลที่จะนำไปออกจากอบายตัวนั้นก็ฉะ น, นั้นแรกว่าเป็นตัวทำลายจึงไม่ใช่ของตนอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ของตนเพราะนำมาซึ่งแต่ความเดือดร้อนให้แก่ตนทั้งปัจจุบันและสัมรารภพเนี่ยนะเหมือนกับไฟไม่ไม่บ้านเนี่ยไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อบ้านเลยเนี่ยนะมีแต่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านฉันใดไฟคือบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ ฉะนั้นเรายัางจะปล่อยให้ไฟเหล่านั้นเนี่ยเผาใจอยู่ต่อไปหรือกุศลเท่านั้นแหละจึงมีประโยชน์แก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้านั้นเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรอย่างเพียงพอโดยแล้วกุศลที่จะนําออกจากวัฏฏะเนี่ยนำออกได้อย่างไรวิจัยอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็น้อมไปพิจารณาอริยศาสว่าการพิจารณาอริยศาสนั่นแหละเป็นตัวที่จะนําออกไปจากวัตฏทุก์แล้วเอ การพิจารณาอริยสัจนั้นพิจารณาอย่างไรพิจารณาให้สมควรแก่การแทงตลอดโลกุตระธรรมเรียกว่าสัจจานุโล ม, มิกยายนเนี่ยนะพิจารณารูปถ้าพิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็อนุโลมต่อการเห็นอริยสัจเท่าไรรูปรูปที่ไม่เที่ยงก็น้อมไปเพื่อที่จะเห็นพระนิพพานเป็นที่ดับรูปเนี่ยนะรูปรูปนิโรธนถ้าถ้าแยกออกมารูปกับรูปนิโรธ ข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรูรูปน้อมไปหารูปนิโรธเป็นรูปนิโรธะคามินีปฏิปทาไอการที่มีรูปนิโรธเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นการสลัดออกจากรูปสมุทยัยเนี่ยนะเพราะมันมันไม่ใช่แบบมันไปละแบบโอยเหมือนกับเอามีดไปฟาดไปฟันคราวนี้คำถามในท่านพระไตรปิฎกเลยนะท่านก็รอบครอบมากบอกเออมรกเนี่ยละวิปัสสนาหรือมรกเนี่มันละกิเลสอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน เอากิเลสอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตกิเลสอนาคตมันยังไม่เกิดถ้ากิเลสในปัจจุบันแสดงว่ากุศลกับอกุศลมันก็คละกันนะซิเอาพูดไปพูดมาเอางั้นกุศลมันก็ไม่ได้มีการละอกุศลจรงิงใช่ไหมงั้การละอกุศลก็ไม่มีอยู่จรงิงเพราะไม่ได้ละอกุศลในอดีตไม่ได้ละอกุศลในอนาคตแล้วอกุศลในปัจจุบันก็บอกว่า เมื่อที่ตรงนั้นเป็นที่เจริญงอกเงยแห่งอกุศลถ้าชีคุณธรรมจนไปจนเพียงพออกุศลเป็นต้นจะงอกเงยกับสิ่งนั้นไหมรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลเมื่อหลีกไปหานิพพานเป็นที่ดับรูปแล้วอกุศลที่ไหนจะเกิดละ่ะ น, น, นะนะเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลถ้าหากว่าแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับรูปเมื่อใด รูปจะเลิกเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลทันทีนะรูปจะหมดสภาพที่เรียกว่าเพราะไม่ขึ้นอีกแล้วรูปนั้นเพราะกิเลสไม่ขึ้นอีกแล้วรูปเพราะส ก, กายทิฏฐิไม่ขึ้นอีกแล้วเช่นรูปของพระพุทธเจ้าเพราะส ก, กายะทิฏฐิวิจิกิจชัสศิละพะตะปรามาศเพราะราคะโทสะโมหะเพราะบาปอากุศลขึ้นไม่ในใจพระองค์โดยอาศัยรูปของพระองค์เพราะไม่ขึ้นเวทนาของพระองค์เนี่ยเพราะ เพาะกิเลสขึ้นบ้างไหมถ้าเป็นแบบร่างกายทั่วไปมันเพราะเชื้อราขึ้นนะเอาไปเพราะเชื้อราเพาะเชื้อโรคเพราะอะไรเป็นได้หมดอะแต่ของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ขึ้นเหมือนกันเถะชั้นใดคือร่กายของพระองค์เพราะอกุศลไม่ขึ้นเวทนาของพระองค์เพราะอกุศลก็ไม่งอกนะสัญญาสังขารและวิญญาณก็เพราะอกุศลของพระองค์ไม่งอกขึ้นเพราะพระองค์พ้นจากความเป็นสัตว์พ้นจากความเป็นสัตว์สัตว์โดยสัตว์แปลว่าผู้คล่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่าแต่จริงๆพระองค์พ้นจากโวหารว่าเป็นสัตว์แล้วล่ะแต่พูดตามที่เคยพูดมาก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกพระองค์เป็นชาวโลกพระองค์นับเนื่องตอนแรกพระองค์กลับเป็นเป็นเหมือนกับชาวโลกทั่วไปก็เลยเรียกว่าพระองค์เป็นชาวโลกเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรอยู่แต่จริงๆก็เรียกเรียกตามโวหารที่เคยเป็นมาใน อดีตเท่านั้นแหละไม่ได้เรียกโวหารตามฐานะที่เป็นจริงในตอนนั้นเพราะฐานะที่เป็นจริงตอนนั้นพระองค์ไม่ใช่สัตว์พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คือพระพุทธเจ้าผู้ทํากิจกําหนดรู้ละทําให้แจ้งและเจริญนั่นนะคือกิจของพระองค์พระองค์คืออย่างนั้นพระองค์จึงไม่ใช่สัตว์แต่เราเรียกตามโวหารที่เคยมีมาก่อนเท่านั้นะนะรายละเอียดเรื่องนี้ก็พูดไปเรื่อยนะตามภาษาที่นึกออก นิย้อนมาดูสุตามยาญาณมั่งว่าถ้าเราจะฟังนี่ฟังเพื่อให้รู้อะไรจึงจะเรียกว่าคนมีสุตตมยาปัญญาบอกว่าพระโยคาวจรได้สดับจากผู้อื่นย่อมได้เฉพาะซึ่งความรู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่ามีกรรมเป็นของตนฟังแล้วเข้าใจเลยเรานี่มีบุญมีบาปเฉพาะตัวนะ นนกุศลอกุศลนี่ก็เป็นของเฉพาะตัวกุศล น, นี่แหละเป็นอุปการะแก่ตัวฟังแล้วเข้าใจเลยได้ฉลาดอย่างนี้ขึ้นมาหูตาสว่างขึ้นเลยรู้ความรู้อันสมควรแก่สัจจารือว่าสัจจานุโลมมิกยานเธอได้กรรมสกตาได้สัจจานุโลมมิกยานโดยอาศัยการฟังอันนก็คือสุตตะมยญาณอย่างเต็มเปี่ยมนั่นแหละหรือหรือใน ที่เรีกว่าเรียนมาแล้วนะอาศัยการเรียนก็เลยประร work, อกอบการงานด้วยความเพียรหรือศิลปะที่ประกอบด้วยความเพียรหรือฐานน่แห่งวิทยาที่ประกอบด้วยความเพียรหรือได้ความชอบใจได้ความเห็นความพอใจความบันเทิงความเพ่งความชอบใจในการเพ่งทำเห็นปตาม น, นี้หรือได้วิปัสสนาปัญญาที่เห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้เป็นสุดตามยัปัญญาคือฟังแล้วทําได้ฟังแล้วจึงเข้าใจตามนั้น ปฏิบัติได้ตามนั้นเรียกว่าสุตามะยปัญญาฟังแล้วทําได้ตามนั้นเลยนีเรียกว่าสุตามะายปัญญาอย่างไปอบรมอะไรมาแล้วกลับมาทําอะไรก็ไม่เป็นนี่แหมอยากอ้างสถาบันเขาไหมเสียสถาบันเขาหมดนะเนียเขมาบางแห่งเหมือนกันมาโอ้ไม่อยากบอกเป็นว่าเป็นนักเรียนมาจากบางแห่งเลยมันจะเสียชื่อสถาบันเขาหมดนั่นก็เหมือนกันนะพันธุ์ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่ใดอะไรเลยจากอันนั้นถามว่าจะได้เรียกว่านักเรียนนั้ น, นไหม มีพระรูปหนึ่งกําลังให้ฟังว่าผมเนี่ยนะถ้ามันลบชื่อมาหาอหำนาจอะไรผมจะไปลบทิ้งมันตั้งนานแล้วเหมือนกันเบลีอะไรก็แปลไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กก็เลยบอกจะลบทิ้งแล้วมาเนียนโก้เลยไปที่ไหนเขาก็ถามถามแล้วเราตอบไม่ได้เขาก็ดูหมิ่นเอาไปเรียนยังไงมาแล้วก็แปลไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะบางอย่างก็าถามเกินวิสัยไอ้ความรู้ที่มีอยู่แล้วบางทีไอ้ความรู้ที่เขามีอยู่ก็เข้ามอเข้าไหายน่ยโบราณละก็ลืมหมดมาหมดแล้วเนี่ยนะ ก็เลยบอโอยอยากจะลบทิ้งจริงๆเลยนะเป็นพระกลับไปเป็นพระปกติตามเดิมดี่กว่าเพราะงั้นนี่ก็เหมือนกันย้อนกลับมาว่าผู้ที่คาว่าสุตามยาปัญญาก็คือเรียนแล้วก็ทำได้ตามนั้นมีความรู้ความสามารถตามที่เรียนมาเนี่ยนะโดยเฉพาะรู้มีกรร ม, มสกตามีวิปัสนาปัญญานะรอบรู้เห็นเลยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงชัดเจนเลย นี่ประเด็นที่พูดเนี่ยถามว่าโยองมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยว่าไปสยาวเลยยองมาจากที่ว่าที่พูดไปว่าภาวนาสองภาวนาสามภาวนาสองคือโลกิยะภาวนาภาวนาสามโลกุตระเออขอไปโลกิยะโลกุตระภาวนาภาวนาสามคือรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระบรรทสองบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละท่านอยากอ้างว่าปัญญาทั้งหมดของบุคคลผู้ได้สมาบัตเรียกว่าภาวนามยปัญญาที่เราเรียนภาวนาปัญปัญญามายเอาตรงนี้แหละ ก็เลยไม่เอากามาวาจรกุศลเหตุผลที่ตั้งคำถามตอนแรกว่าภาวนามายปัญญาไม่ใช่หมายเอากามาวาจรไม่ได้หมายเอามหากุศลนะเอารูปาวาจรอารูปาวาจรและโลกุตระหมายเอาที่เป็นอัปปนาหรือสมาบัติทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าภาวนามายปัญญาเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะเฉพาะภาวนาสองภาวนาสามคือคาบางคา บางแห่งเนี่ยวิธีการอธิบายธรรมะอันหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เราเปื้อนบาปตรงไหนคำภีร์ว่าไว้ยังไงก็ว่าตามท่านก็พอตรงไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตรงไหนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจท่านโออโยงอะไรท่านอ้างอะไรท่านอิงอะไ ร, ะไรเราก็อิงไปตามท่านว่าไปตามท่านแล้วท่านจะรักษาเราทุกอย่างะแต่ถ้าเราไม่ว่าตามท่านเมื่อไหร่นะเกิดอะไรนะออกนอกกรอบเมื่อไหรก่ก็เรียบร้อย เดือดร้อนใจวันหลังทําไมรู้ไหมเพราะว่าไอคำพูดใดถ้าสมมุติถ้าเราไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการอ้างเองนะวันหลังเราไปเจอคําที่ขัดแย้งกับคําพูดของเราถ้าโดยปกติเนี่ยคนเนี่ยมันแปลกนะมันพวกตัวเองพูดคําใดเนี่ยมันอู้มันให้ความสำคัญจริงๆเลยพอให้ความสาําคัญกับสิ่งที่ตัวเองพูดไปมากกล้า บ, บิดเบือนแล้วตอนแรกก็จกละเมิดไปเรื่อยๆพนัในเบื้องต้นพยายามอย่า อะไรที่เราไม่รู้ก็เอาไว้ก่อนตรงไม่รู้อย่าไปฆ่าอย่าไปคเน่อย่าไปเดาอย่าไปอะไรมากมายพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็โยงได้ก็ค่อยโยงถ้าโยงไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเน่นะอันนะจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ลำบากใจเขเล่าให้ฟังว่าบรรยายเคยอ่านหรือเล่าอ่านธรรมะให้ให้เพื่อนฟังอะไรสมัยแรกๆเลยบางทีเราโยงเกินแววันหลังไปเจอไอ้ที่มันผิดพลาดเห็นความไม่สบายใจของเราทันทีว่า เราเองพูดอะไรไปเราก็อยากรักษาคําพูดของเราทีนี้มันขัดแย้งกับคําสอนเข้าอ่ะเนี่ยนะมันก็เลยทําให้บอกตอนหลังเห็นโทษของของการกล้าเกินไปมันพยายามเห็นด้วยว่าข้อความตรงไหนที่เป็นคําสอนท่านอธิบายอย่างไรอัตกระถาอยากให้เรารู้อะไรตรงนั้นแล้วก็อย่าเอาข้อความอีกที่หนึ่งไปอธิบายให้อีกที่หนึ่งอย่างคําว่าภาวนาตรงนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยยกเอาโลกิยอาออลกอปปนาเอาสมาบัติเท่านั้น เฉพาะข้อนะอย่าไปอธิบายทุกข้อเฉพาะข้อไหนที่บอกว่าเอาเฉพาะอาอัปปนาห์ข้อเดียวนะที่เน้นเฉพาะอัปปนาห์เนี่ยนะคือเนอโดยเฉพาะข้อหกสิแปดเนี่ยนะเน้นเฉพาะอัปปนาห์ข้อหกสิบแปดไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะเฉพาะเนี่ยอโลกิยะภาวนาโลกุตระภาวนาเฉพาะสองคำนี้แหละมาที่หมายเอา อัปปนาหรือหมายเอาสมาบัติเนี่ยนะส่วนหลังจากนั้นเช่นเอสนาภาวนาไปแล้วนี่อันนี้ก็ไม่ใช่สมาบัติแล้วถ้าเป็นข้ออื่นไปแล้วเนี่ยนะถ้าข้ออื่นไปแล้วนี่ไม่ใช่แล้วทีนี้ย้อนกลับมาเกี่ยวกับอริยสัจในหน้าสองว่าเมื่อแทงตลอดทุกขสัจจะเป็นการแทงตลอดด้วยปริญญาอันนี้ก็ชื่อว่าภาวนาเหมือนกันเจริญอยู่คือภาวนาเนี่ยนะ เ ม, <S <S มื่อแทงตลอดสมุทัยสัจจะอันเป็นการแทงตลอดด้วยปะหานะก็ชื่อว่าภาวนาแทงตลอดนิโรสรัจจะอันเป็นการแทงตลอดด้วยสัจฉิกิริยาก็ชื่อว่าภาวนาหรือเจริญอยู่ก็คือภาวนาเมื่อแทงตลอดมรรคสัจจะอันเป็นการแทงตลอดด้วยภาวนาก็ชื่อว่าเจริญอยู่เรียกว่าภาวนาภาวนาสี่ตรงนี้หม า, ายถึยงการทำกิจในอริยสัจสี่นี่นนะแทงตลอดเนี่ยนะแทงตลอดด้วยการ ด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดด้วยการละแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดด้วยการเจริญเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้หรือปริญญาตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าโดยกิจแทงตลอดด้วยประหานะการละอันนี้ก็ละโดยกิจเพราะว่าท่านอธิบายในส่วนที่เป็นโลกุตระว่าอย่างเช่นส่วนที่เป็นโลกิยะคืออะไร ส่วนที่เป็นโลกิยะในรูปาวจรเลวปานกลางและประณีตส่วนที่เป็นทั้งให้รูปาวจรและอะรูปาวจรรูปาวจรอะรูปาวจรนั้นแบ่งเป็นส่วนที่เป็นโลกิยะและส่วนที่เป็นโลกิยะแบ่งเป็นอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นโลกุตระเขาตั้งคําถามนะทั้งคำถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าภาวนาที่เจริญอยู่นี้ขณะนี้เป็นโลกุตระ รู้ได้ยังไงอะไรเป็นเรื่องตรวจสอบท่านบอกว่าเพราะเพราะว่าปัญญานั้นอะทำกิจแทงตลอดทุกขสัตด้วยปริญญาแทงตลอดสมุทัยนิยสัตด้วยปฐหานะแทงตลอดนิโรสัจด้วยสัจจิ ก, กิริยาแทงตลอดมรดุด้วยการภาวนาภาวนาตรงนี้นี่แหละจึงจะเป็นเป็นโลกุต ร, ระก็คือการทํากิจในอริยสัจสี่เพราะมรรคสัจจะเนี่ยทํากิจในอริยสัจเนี่ยนะ เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะชื่อว่าตำหนดรู้ในกองทุกข์ อ, อย่างที่ว่าใครที่จักรู้จักรูปจริงต่อเมื่อแทงตลอดรูปนิโรธใครที่รู้จักเวทนาจริงเมื่อรู้จักเวทนานิโรธรู้จักสัญญาสังขารวิญญาณจริงต่อเมื่อรู้จักนิโรธฉันใดผู้ใดที่รู้ทุกขสัรจจะจริงต่อเมื่อรู้จักนิโรธสัรจจะ เมื่อรู้ถ้ารู้จักทุกจริงต้องรู้จักทุกขานิโรธจริงจะรู้จริงบอกคนนี้รู้จักเรื่องโรคจริงแต่ไม่รู้จักวิธีรักษาโรคเรียกวคนรู้จริงไหมอันนัว่าโอ้คนนี้รู้จักเครื่องยนต์กลไกดีเยี่ยมรู้จริงอ่ะเขารู้จริงอ่ะแต่ซ่อมไม่เป็นอะไรสักอย่างฉันใดเนี่ยนะใครที่รู้จักทุกจริงคนนั้นต้องดับทุกได้ถ้ารู้จักทุกจริงนั่นอ่ะถ้าต้องมีความรู้ในความดับทุกจริงจะเรียกว่าคนรู้จักทุกจริง ถ้ารู้จิรู้แล้วบอกแต่ดับทุกข์ไม่ได้เรียกว่าคนรู้จริงไหมก็โอ้ใช่ไฟไหมไฟไหมไฟไหมแล้วก็เที่ยวตะโกนเนี่ยเราเป็นเรียกว่าคนรู้จริงในเรื่องไฟไหมไหมคนรู้จริงเรื่องไฟไหมก็คือรู้จักวิธีดับไฟฉันใดคนที่รู้จริงในเรื่องทุกข์ก็คือคนที่ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคําว่ารู้จักทุกข์ด้วยปริญญาก็ต้องรู้จักนิโรธด้วยสัจิกิริยาหรือด้วยที่เรียกว่าทําให้แจ้งทําให้ เป็นอารมณ์มันถ้ารู้จักทุกจริงต้องรู้จักความดับทุกขและความดับทุกขเนี่ยจะทําให้แจ้งได้อย่างไรก็เกิดจากการภาวนาถ้ากําหนดรู้ทุกรู้จักทำที่ดับทุกเนี่ยนะคิดหรือว่าจะสร้างเหตุแห่งทุกอีกต่อไปถ้ารู้จักทุกว่าทุกเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะเจ็บปวดในภพต่างๆเนี่ยเห็นความเจ็บปวดแล้วรู้จักทำที่สงบจากความทุกขโดยประการตั้งปวง ใจหลีกออกไปหาธรรมที่ดับทุกข์ได้แล้วน้อมไปสร้างเหตุเพื่อแห่งทุกข์อีกต่อไปไหมบอกไม่เพราะว่าถ้าคิดถึงนะเดี๋ยวเรียนสัจจิกาตะธรรมเนี่ยมจะเห็นชัดผ้าหันทั้งหลายเนี่ยนะอสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านชำนานเห็นสมุทยัทยสัตว์เหมือนลุมฐานเพลิงเลยนะท่านเห็นว่าไอ้ตันหาหรอสมุทัยเนี่ยเหมือนก้อนไฟเนี่ย ก็ S <S <an> เหมือนเราเห็นก้อนไฟหรือหลุมฐานเพลิงที่ตัวเองต้องตกเข้าไปอ่ะจะถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะถ้าไฟลุกร้อนระอุแบบที่เรียวกว่าต้องเดินไปตามนั้นเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวฉันใดผ้าหันทั้งหลายท่านมองเห็นสมุทัยหรือตันหาฉั น, นั้นท่านบอกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าที่เรียวกว่ามันน่ากลัวเพราะมันโยนไปหาภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณที่สี่เจ็ดสัตตาวาส 9รู้เลยว่าไอ้ผลของเหมือนกับว่าอะไรดื่มยาพิษ ช, ชนิดร้ายแรงอ่ะนะถ้าดื่มขึ้นไปปึ๊บเนี่ยผลตามมาหลังจากนั้นคืออะไรก็เลยออกมาว่ามองเห็นสมุทัยเหมือนลุมฐานเพลิงเรียกว่าเรียกว่าเห็นละขนลุกขนพองเลยมนั้นนะในความรู้สึกของท่านนะปุตุชนบอกโอ้ดีจริงๆเชื่อไหมเอาเคยเห็นพวกอะไรนะมแมลงเม่านะไฟลุกท่วมอูมันบินเฉียวเลยนะมันถลาลมนะ ทะลาลมปีกซ้ายเข้าไปไม่ฟาบขึ้นมาตกแล้วก็ตกใส่กองไฟไอตัวหลังไม่ได้กลัวเลยนะว่าโชวไปอีกคีบตกร่วงไปอแล้วก็มามามามาเต้นไปหมดตายเยอะแยะไปหมดเลยนึกว่ากลัวนะที่ไหนได้เห็นกลัวเลยเนี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้กลัวต่อทุกฉันนั้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านคนลุกขนพองเลยนะเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์เนี่ยพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยโหก็ขนลุกขนพองเลยนะ ปีติอธิคภพเนี่ไม่ใช่ด้วยโทสะนะดีใจว่าเราพ้นจากสภาพทุกเหล่านั้นแล้วนะเราพ้นทุกเหล่านั้นแล้วดีจริงเนอที่เราพ้นทุกเหล่านั้นได้เพราะนั้นโลกุตระธรรมนั้นก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะเพราะว่าถ้าโลกุตระจริงนั้นต้องกิจของอริยสัจทั้งสี่ประการเพราะไม่งั้นบอกว่าโอ้บอกเขาพ้นแล้วพ้นโลกแล้วพ้นยังไงถ้าตั้งคําถามนะพ้นโลกทุกเนี่ยทุกเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลก ทุกขสมุทัยหรือโลกกัสมุทยัยทุกขานิโรธหรือโลกกนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหรือโลกานิโรธคามิเนปฏิปทาแล้วก็ต้องทํากิจเหล่านี้นะจึงจะเรียกว่ารอบรู้แล้วก็โสดาปติมัค ก, ก็ทํากิจสี่เนี่ยนะมันกําหนดโสดาปติมัค ก, ก็ทํากิจกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมักระดับโสดาปติมัคเนี่ยนะ กำหนดรู้กลับไปกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญสกทาคามีมัตต์กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมัตตเพื่ออนาคามิมัตต์กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอรหัตตมัตต์เขาบอกว่าการกำหนดรู้กองทุกข์ด้วยโสดาปฏิมัติเนี่ยเพื่ออะไรกำหนดรู้กองทุกข์เพื่อด้วยโสดาปฏิมัติเพื่อละสกายติฐิวิจิกิจชาและ สีลพัตตปรามาสนะสกายาทิฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาสอันใดเนี่ยนะที่พระโสดาบันผู้เห็นเอ่อเรียกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยสิ้นไปพร้อมกับการเห็นพระนิพพานเหมือนกันเพราะพระ โ, พโสดาบันเห็นพระนิพพานก็ละเครียกว่าทุกขสัจจะขันห้าขันห้าทุกขันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสกายาทิถิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสของ ถ้าโซดาบันอีกต่อไปเท่ากับกำหนดรู้ปริญญาระดับนี้ละสมุไทยได้สามประการแล้วทีนี้ถ้าสกะทาคามีมัจกำหนดรู้ทุก์ละอะไรเพื่อละอะไรกำหนดพระ ส, สกะทาคามีพระ ส, สกะทาคามีกาหนดรู้ขันห้าเพื่อละพยาบาทาการมราคาอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบ พระอนาคามีกําหนดรู้ทุกข์คือขันห้าเพื่อละกามราคะและปฏิฆะพระอรหันต์กำหนดรู้ขันห้าเพื่อละรูปปาราคะอรูปปาราคะมานะอุทจจะและอวิชชาวันก็ยังต้องทํากิจเหล่านั้นอ่ะซ้ําตั้งสี่ครั้งระดับโลกุตรม า, ามักเนี่ยซ้ำสี่ครั้งแต่โลกุตรผลเนี่ยซ้ํากี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรนะนะก็เรียกว่าเข้าสมาบัติเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตัวมัก ต, ตัวที่ต้องเจริญ ให้มันยิ่งเนี่ยต้องได้สี่ขั้นระดับนั้นมาขึ้นข้อใหม่เรียกว่าภาวนาอีกสี่ประการภาวนาคือเอสนาภาวนาปฏิลาภภาวนาเอกรสาภาวนาเอสนาภาวนาเอสนาภาวนาคืออะไรคือเมื่อพโยคาวจรทั้งปวงเข้าสมาธิอยู่ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นในธรรมอันเป็นส่วนเบื้องต้นนั้นมีกิจเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นภาวนานี้จึงชื่อว่าเอสนาภาวนา เอสนาภาวนาเนี่ยนะเอสนาภาวนาท่านบอกว่าภาวนาในส่วนเบื้องต้นของอัปปนาอย่างใครที่จะได้ฌานเนี่ยนะอย่างคนที่จะได้ฌานเนี่ยต้องรวบรวมกุศลธรรมขนาดไหนฌานในจิตจึงจะเกิดหรือคนที่จะมีโลกุตระภาวนาเกิดขึ้นเชน่นขณะโซดาปฏิมากเกิดขึ้นเนี่ยเขามียานะอันหนึ่งเรียกอะไรอนุโลมมยานอนุโลมมยานเนี่ยแปลว่าอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนหน้านี้หนึ่ง อนุโลมต่อโพธิปักจียธรรมทั้งหมดที่จะคู่ควรต่อการบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะจะต้องเพราั้นเอสนาภาวนาก็คล้ายๆกับอนุโลมายานที่เรียกว่ารวบรวมเนี่ยนะรวบรวมน้อมนําเอากุศลธรรมเหล่านั้นมาทั้งหมดอ่ะเพราะว่าจะต้องรวบรวมกุศลธรรมที่เป็นเบื้องต้นแห่งอัปนาถ้าเป็นธรรกับธรรมยาก็เรียกว่ารวบรวมตัวยามากองเลยนะ ว่าถ้าเป็นอัปปนาก็คืออัดให้มันเป็นเม็ดเดียวนั่นแหละปฏิลาภาา ภ, าภาวนาก็คืออัปปนาภาวนาบอกพระโยคาวจรทั้งปวงเข้าสมาธิแล้วทำทั้งหลายที่เกิดในอัปปนานั้นไม่เป็นไปล่วงกันแลกกันนะกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีการล่วงกันและกันเป็นไปอย่างไปร่วมกันอย่างกลมกลืนอย่างเช่นองค์ฌานทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมที่เกิดในองค์ฌานเนี่ยนะมีความกลมกลืนกันอย่างดีเยี่ยม หรือในขณะโลกุตระมักเนี่ยนะมักแปดหรืออินทรีห้าอะไรนะสติประธานสมารประธานอิธิบาตอินทรีย์พระโพชงองค์มักมีความกลมกลืนกันนั่นแหละเรียกว่าไม่ล่วงเกินกันและการเป็นไปอย่างพอดีและสม่ำเสมอเนี่ยนะเหมือนกับรถเนี่ยถ้ามีสมมติรถมีสี่ลอ้อล้อหนึ่งหมุนเร็วอีกลอ้อหนึ่งหมุนช้าล้อหน้าหมุนช้าล้อล้อสี่ลอ้ล อ, ล อ, ลอนี่หมุนไม่เท่ากันแม้แต่ล้อเดียวเนี่ยะอะไรจะเกิดขึ้นรถวิ่งได้ไหม น่าจากคนขับอายุไม่ยืนนะดูท่าละถ้ า, ถ, าถ้าล้อมเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอไหชันะ้นใดก็ดีกุศลธรรมทั้งหลายคนที่เจริญก็ เ, เหมือนกันเนี่ยนะก็ต้องมีความเรียกว่ามีความเหมาะสมเป็นไปอย่างไม่ล่วงเกินกันแล้วกันถ้าเป็นเครียกว่าถ้าเป็นองค์กรที่เรียกว่าไม่มีใครล้ําหน้าใครไม่มีใครล้าหลังไม่มีใครกระจัดกระจายเนี่ยนะเป็นไปได้ด้วยการอย่างเป็นระบบเนี่ยนะเล้วไม่ล่วงกันแล้วเป็นไปอย่าง อย่างดีนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิลาภภาวนาเพราะในขณะอัปปนาเนี่ยนะส่วนเอการาสาภาวนาเนี่ยนะมีรสเดียวกันคือวิมุตติรสเนี่ยหมายความว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญสั์ทินซีด้วยน้อมใจเชื่อศรัทธาเนี่ยก็คือน้อมใจเชื่ อ, อวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มามีกิจอันเดียวกันด้วยอัตถว่าน้อมใจเชื่อเรียกว่าโอนอ่อนผ่อนตามศรัทธาหมดเลย ถ้าวิริยะเนี่ยประคองไว้เนี่ยนะอินทรีย์ที่เหลือก็มาโอนอ่อนผอนตามวิริยะหมดเลยมีกิจอย่างเดียวนะเพราะว่าเช่นอะ่ะขณะที่ศรัทธาเป็นประธานอินทรีย์ที่เหลือก็โอนไปตามศรัทธาขณะที่วิริยะเป็นประธานในความหมายว่าประคองอินทรีย์สีที่เหลือก็มามาตามแล้วมาร่วมงานอย่างดีสติตั้งมั่นอินทรีย์ที่เหลือก็มาร่วมกันเนี่ยนะมีกิจอย่างเดียวกัน ถ้าสมาธีสีไม่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอินทรีย์สีที่เหลือก็น้อมไปตามกันปันยินสีเห็นอัดว่าเห็นเนี่ยอินทรีย์ที่เหลือก็น้อมไปตามเรียกว่าไม่มีความขัดแย้งกันเลยเนี่ยนะอินทรีย์ห้าจริงๆนะอย่างเช่นถ้าถ้าเอาอินทรีย์ห้าดูในโสตาปฏิยังฆะธรรมสีวิญรียดูในสัมมาประธานสีสตินสีใน สติปัฏฐานสีสมาธิสีในฌาน4ี่ปัญญสีในอริยสัจสีเนี่ยนะีอย่างเนี่ยกลมกลืนกันโดยที่ไม่มีการขัดแย้งกันเลยเป็นไปได้อย่างดีจึงจะทำกิจวิมุตติรสได้เพราะเอาการาษฎรภาวนาในรสเดียวคือวิมุตติรสหลุดพ้นจากวัฏฏะทั้งหลายหลุดพ้นจากกองทุกข์ปรัสรู้ทมเป็นที่สงบทุกข์เนี่ยนะ อันนี้ในขณะอินทรีย์นะจริงๆอินทรีย์พละโทษชงองค์มัคก็คือสิ่งเดียวกันแต่ให้รู้เถอะว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะอินทรีย์พละโทษชงองค์มัครวมเป็นยี่สิบห้าเนี่ยนะตรงนี้ยกมาแค่ยี่สิห้าขาดอะไรขาดสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทขาดขาดนี่แหละขาดแค่สติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทขาดออกไปสิบสองถ้าเอาบวกยี่สิบห้าบวกสิบสองก็เป็น สาิบเจ็ดเนี่ยนะตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ยี่สิบห้าหัวข้อว่าทุกอย่างนี่โอนตามกันหมดเลยเนี่ยโอนตามกันหมดกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยพเพราะไอ้กุศลธรรมรวบรวมขนาดนี้แหละจึงมีชื่อว่าอธิปตัยยะอธิปตัยยะโถนเนี่ยนะเรียกอัดว่าอธิบดีเนี่ยนะเพราะว่าแต่ละอย่างนี้รวบรวมกันตามกันไปหมดท่านบอกว่าบางทีเนี่ยะนะสัตทินสีเนี่ย สมมติทังงานไหนที่สัตทินรียเป็นหัวหน้าอินทรีย์ที่เหลือก็ตามยกตัวอย่างก็บอกว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีเศรษฐีอยู่สี่คนแล้วก็มีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งวันที่หนึ่งเศรษฐีคนที่หนึ่งจัดเลี้ยงเชิญเศรษฐีอีกสามท่านพร้อมทั้งพระราชามาเสวยที่ที่บ้านทุกอย่างก็โอนไปตามเจ้าของบ้านหมดเพราะแล้วแต่เจ้าของบ้านประสงค์อ่นะแต่ว่างานเลี้ยงเนี่ยมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพใหญ่ วันที่สองวันที่สองวิริยะก็เป็นใหญ่วันที่สามสติก็เป็นใหญ่ทั้งที่สี่สมาธิก็เป็นใหญ่ครั้งที่ห้าปัญญาก็เป็นใหญ่พวกที่เหลือต้องโอนตามพระราชาทั้งหมดอินทรีย์ที่เหลือก็โอนอ่อนผ่อนตามกันทั้งหมดเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหลื่อมล้ากันเพราะแต่ทุกคนทํางานไม่ขัดกันแต่ถ้าขัดกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งเช่นศรัทธาเกินไปขาดปัญญางมงายปัญญาเกินไปขาดศรัทธา กระด้างนะเป็นคนที่มานะสูงมากหรอยี่อะไรสักอย่างถ้าวิริยะเกินไปขาดสมาธิฟุง้งซ่านสมาธิที่ขาดความเพียรที่พอสมขี้เกียจก็ถามว่าและอะไรเป็นตัวเครียกว่าวตัวประสานให้มันพอดีเออคุณศรัทธากับคุณปัญญาคุณต้องทํางานให้มันพอดีกันนะเป็นผู้จัดการใหญ่ใคร บอกสติเป็นผู้จัดการว่าคุณศรัทธากับคุณปัญญาคุณต้องทํางานพอกันนะงานจริงจะสาเร็จผลค่ะคุณวิริยะกับคุณสมาธินี่คุณต้องทํางานให้มันพอดีกันนะก็คอยปรับก็เรียกว่าก็เรียกว่าแผนกจับคู่ว่าเออทายัางไงให้เข้าไปด้วยกันได้ถ้าหากว่ารวมกันถ้าทุกคนมาทํางานร่วมกันเมื่อไหร่นะตัดสินได้เลยออกจากวะตฏะอย่างเดียวอะ่างเงี้มันก็ยินสติเขาจะรวบรวมอ่นะรู้เลยว่าเออถ้าขาดพอศรัทธาแล้วเสียหายอย่างไร แต่ขาดวิรยิยะแล้วไม่ดียังไงถ้าสมาธิไม่ดีแล้วเป็นยังไงถ้าปัญญาไม่ดีแล้วเป็นยังไงรวบรวมคุณธรรมเหล่านี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างไรทีนี้ทุกคนเป็นใหญ่หมดแตต้องอาศัยกำลังนะทุกคนนี่ใหญ่ก็จริงแต่บางคนไม่มีกําลังใช่ไหมบางคนนี่เป็นใหญ่จริงแต่ไม่มีกําลังไม่มีพละเหงือนกันไม่มีอํานาจใหญ่จริงอะ่ะเหมั้นกันแต่เป็นใครว่าเป็นนายก็สักแต่ว่านายแต่ไม่มีอานาจคุมใครสักคนเลยเหมือนกัน อย่างเช่นอ่ะคนอาจจะมีสัตยินทรียีก็จริงแต่ต้องมีกําลังต้องมีกําลังจนไม่หวั่นไหวในอาสัตยะเนี่ยนะจนเครียกว่ามั่นคงอ่ะนะใหญ่ใหญ่แบบมีอํานาจไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาวิสตินี้ก็ต้องเออพะละวิริยะก็ต้องเป็นพะละมไม่หวั่นไหวในความเกียรติค้สติต้องเป็นใหญ่มีกําลังถึงขนาดว่าไม่หวั่นไหวในความประมาทสมาธิต้องมีกําลังถึงขนาดว่าไม่หวั่นไหวในความ ฟุง้งซ่านปัญญาก็ต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวในอวิชชาเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยมีกําลังหมดเลยแล้วกําลังที่เหลือมาสนับสนุนกันนะครับเรียกว่าระดมกําลังมาร่วมกันนะศรัทธานี้มีกําลังไม่หวั่นไหวในอสัตย์ยะคือความไม่เชื่ออ่นะระดมวิรยิยะพระสติพระปัญญาพระมาร่วมกันเนี่ยนะนะนะมาร่วมกันทั้งทุกอย่างพระทุกอย่างอนุวัตตามกันโอนตามกันช่วยเหลือเกือก้อกูลกันและกันเนะี่ย แต่ทีนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะอสติสามโพชฌงก็คือสตินีสติภละใช่ไหมธรรมวิรยะสามโพชฌงก็คือปัญญินีกับปัญญาภละวิรยิยะสามโพชฌงก็คือวิริยินีกับวิริสมาธิภละสมาธินีก็คือสมาธิภละกับสมาธิสมาธินีกับสมาธิภละ ส่วนปีติปัสสัทธิอ่ะนะปีติคือจริงๆปีติก็เนื่องจากแบบเป็นผู้มีศรัทธากลุ่มผู้มีศรัทธาทะนั้นแหละจึงจะมีปิติส่วนปัสสัทธิกับอุเบกขาก็อยู่ในกลุ่มสมาธิเนี่ยนะฉที่ยกโทษชงตามมาว่าการมีอินทรีย์มีพระเพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้นะนะโทษชงแปลว่าองค์แห่งความตรัสรู้พรันการเจริญอินทรีย์เจริญพระเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ นั้นจะลืมนะว่าถ้าเป็นอินทรีย์ต้องเป็นใหญ่ใหญ่ในการน้อมใจเชื่อใหญ่ในการประคองใหญ่ในการตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ใหญ่ในการเห็นอริยสัจแล้วก็จะต้องมีกําลังไม่หวั่นไหวในข่าศึกตรงกันข้ามคืออาสัตถิยโกรชะประมาธาอุทธะและอวิชชากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสติที่เรียกว่าตั้งมั่นสมาธิธรรมวิจัยเลือกเฟ้นวิรยิยะประคองปีติทราบสั้นปัสปสัทธิสงบ สมาธิไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาหาช่องทางเลยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดน้อมไปเพื่อการตรัสรู้แล้วโอนตามกันทั้งหมดะโอนตามกันทั้งหมดโอนจนเป็นอริยมรรคอ่ะนะจะเรียกว่าเป็นทางที่นําออกจากกองทุกอ่ะนะเป็นทางที่นําออกจากทุกเรียกว่าองค์มรรคเพราะเห็นเห็นไอะไรเห็นอริยรสัจสัมมาสังกัปะก็ตรึกไปในอริยรสัจสัมมาวาจากําหนดเอาเนี่ยนะแตถ้าพูดนี่ถ้าไม่กําหนดนี่ยุ่งแล้วนะ อย่างคนผู้ที่ไม่มีข้อกําหนดนี่มันยากสมมากรรมตาก็หมายว่าสมุทฐานสมาชีวะผ่องแผ้ววายมะประกองไว้สมาเอ่อสติก็ตั้งมั่นสมมาสมาธิก็ไม่ฟุ่งซ่านทั้งขณะองค์ชาญหรือในขณะโลกุตระทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนะกุโซลธรรมเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยเหลือกันนะเขาเกื้อกูลกันเขาสนับสนุนกันเนี่ยนะเขาสนับสนุนกันจริงๆแปลว่าทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนอย่าง ร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะถามว่าร่างกายเนี่ยมันทุกอย่างมันดีหมดเลยใช่ไหมแล้วทํางานโดยที่ไม่ขัดข้องกันคนนั้นเรียกว่าคนสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตพวกนี้คุณธรรมเหล่านี้ต้องสมดุลกันพอดีโดยที่ไม่มีการขาดตกบกพร่องมีความพอดีมีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีนั้นจึงกระเทาะ อ, ออกจากความเศร้าหมองกุศลธรรมเหล่านี้ดีจริงๆนั่นแหละจึงจะภูมิคุ้มกันความเศร้าหมองแต่ละชนิดได้ เพราะความเศร้ามองด้วยคำว่กิเลสนี่แปลว่าความเศร้ามองความมนมองความขุนมัวนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ผ่องใสเพียงพออจึงเข้าใจว่าในเดี๋ยวระดับต่อไปคือมันตะไบยะคาถาแปลว่าสิ่งที่ควรดื่มเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีในหัวข้อในปฏิสัมพิธานะเล่มถัดไปข้างหน้าก็มีมันตะไบยะคาถาว่ากุศลธรรมเหล่านี้ควรดื่มพรหมจรรย์นี้ควรดื่มมากเพราะงั้นควรดื่มเพราดื่มแล้วระงับดับพิษได้ แต่ว่าแม้ถ้าเราบอกว่ายากมันก็คงจะยากตลอดไปต้องกายิมในใจว่าเราต้องทําได้นะอ่นะโอ้สักวันหนึ่งนะแก้วนี้นี่ดีเมื่อไหรนะ้องจะเป็นอะไรนะดื่มแก้วนี้บ้างนะดื่มสีแก้วแค่นั้นนะ่ะโอย โ, โรคเศร้ามองหม่นมอ ง, มอ ง, มองขุน่นมัวตรังับดับพิษนักแล้วกัน่ะนะสักวันหนึ่งเธอบอกยากอ่าคงยากต่อไปก็แล้วกันนะนะอืม บอกไม่มีเวลาก็คงไม่มีเวลาอีกนานยเหลือแต่เวลาตายเขานะไงเวลาอื่นในมีโรคมันมีเวลาเดียวส่วนคนที่จเจริญได้ตามนี้มันอาเสวนาภาวนานี่สําคัญใช่างมครับเรียกว่าบริโภคตามความชํานาญครับถ้ามีความชํานาญทําได้อย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีความชํานาญเฉพาะตัวมีความชํานาญยังไงบ้างพิสูจนในธรรมวิไนนี้ย่อมเสพเป็นอันมากซึ่งสมาธิ ที่ถึงความชํานาญตลอดเวลาเช้าเนี่ยทั้งโลกิยะโลกุตระท่านเข้าตลอดเวลาเช้าตลอดเวลาเที่ยงเวลาเย็นก่อนพัดหรือหลังพัดยามต้นยามหลังตลอดคืนตลอดวันตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันท่านเจริญได้ไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฤดูฝนฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเจริญได้ไม่ว่าจะจังตอนวัยนั่งแ่อะไรนะแบบ อายุร้อยปีก็คือช่วงสาิบสามปีแรกสามสิบสามปีกลางสาสิบสามปีปลายมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้เขเรียกว่าเจริญได้ตลอดเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอย่างนั้นก็าเรียกว่าอาเสวนาภาวนาเรียกว่าเสพเนี่ยนะมาเขาว่าโอ้เวลาไหนก็ทําได้ชํนชนานีชํานาญอย่างสมมติอะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ที่บรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบนี่เห็นชาติว่าท่านทําได้อย่างนั้นหมดเลย น, นะท่งเข้าจะมีความสุขอย่างเดียวตลอดสามวันเจ็ดวันเท่าไหร่ก็ทําได้หมดเนี่ย น, นะมีความสุขโดยส่วนเดียว เพราะความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความหม่นมองใจเนี่ยนะความหม่นหมองทางจิตใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทุกข์กถึงขนาดเรียกว่าเราทั้งหลายนั่งสบายๆ ย, ย, ยิ้มเจดวันไม่ได้เพราะมันเร่าร้อนมันมันพล่ามไปหมดสมมติใครที่มีความเจ็บปวดอักเสบทางร่างกายเนี่ยนะไม่ให้ดิ้นรนกระวนกวายนี่ถามว่าทําได้ไหมมันอักเสบไปทุกแห่งไปหมดนะนะมันก็ต้องดิ้นรนกระวนกวายอย่างเต็มที่แหละเพื่อที่จะให้มีความสุข ใจของผู้ที่เศร้ามองด้วยบาปอกุศลก็ดิ้นรนกระวนกระวายเคยนั่งเร้ยวันนี้ขอนั่งสบายๆเถอะวันอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวั น, อวนขอสบายตลอดทั้งวันทั้งคืนชั่วตลอดวันอาทิตย์ไม่มีอะไรมารบกวนให้มันวิตกกังวลเดือดร้อนไม่ใช่หลับนะตื่นๆอยู่นี่แหละแต่สบายเนี่ยนะถ้าใครทำได้ก็อนุโมทนาด้วยทาได้ไงนะแต่ยากยากที่ใครจะทาได้ถ้าไม่มีคุณธรรม แต่ถ้าผู้ที่มีคุณธรรมก็ทําได้เนะนะที่พระ อ, องค์ท่าบอกว่าพระเจ้าพิมพสิสารเนี่ยสุขย่างเดียวตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมบอกโอ้ปร า, าสาทก็อยู่อับลมนะนะสมัยก่อนให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องลมล ม, ลมพัดมาสี่ทิศหน้าหนาวเนี่ยนะถ้าอยู่ปร า, าสาทอยู่บ้านที่อับลมด้วยมีหมอนแดงมีคนคอยอุปถากรับใช้เขาบอกว่าพระเจ้าพิมพสิสารสบายมีความสุขส่วนเดียวเจ็วันนี่ทําได้ไหมโอ้ไม่ไหวละท่านประมาณนั้นหกวันหกคืนเนี่ย อุ้ยไม่ไหวแล้วมั้งไงนะเจ็ดเออห้าวันห้าคืนไม่ได้ไม่ได้สี่วันสี่คืนโอ้ยากสองวันอ่าสามวันสามคืนคงทําไม่ได้หรอกเอาสุกอย่างเดียวเนี่ยท่านเป็นใหญ่ทั่วแคว้นมคธแคว้นอังคะใหญ่ขนาดนั้นให้สุกอย่างเดียวเลยสองวันสองคืนบอกไม่ได้ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ <ๆ S 2> ก็อาจจะสบายกับบางเรื่องนะเพลินกับบางเรื่องทีละอย่างทีละอย่างนิดๆหน่อยๆ สลับคราเคล้ากันไปหน่อยทําท่าเหมือนสบายอ่ะได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยนะประสงค์จะสุขอย่างเดียวหนึ่งวันตลอดวันตลอดคืนก็ได้ตลอดสองวันสองคืนสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนตลอดห้าวันห้าคืนตลอดเจ็ดวันเจดคืนสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่มีทุกข์มาเจือแม้แต่นิดเดียวเราก็ทําได้นะมันพระอรหันต์ได้แค่มีความสุขเช่นนั้นและการอย่างต้นเนี่ยนะเราศึกษาในส่วนตรงนี้ก็เพื่อเพื่ออะไรก่อน ก็เพื่อให้ศรัท ธ, ธาตั้งมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยทำที่พระองค์ตรัสรู้นั้นดีจริงเพราะนําออกจากทุกท่านก็บอกว่าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ก็ขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เป็นคําสอนเป็นคําสอนเหล่านี้ที่ผู้ใดปฏิบัติตามได้ก็นําผู้นั้นออกจากทุกโดยส่วนเดียวขอนอบน้อมแด่หมูพ่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีภาราบุตรเป็นต้นที่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ พ้นทุกข์แล้วก็ด้วยบุญกุศลที่ได้นอบน้อมบูชาศึกษาเล่าเรียนนี้ก็ขอจงเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบุญเหล่านี้เนี่ยที่สําคัญเราต้องพยายามตั้งอัตตาสัมมาปณิทิขูดร่องทางใจของเราให้ไลหลไปตามกุศลธรรมเหล่านี้นะไม่งั้นนะถ้าใครไม่ขูดร่องทางใจเอาไว้นะอู้อยากบอกปฏิสัมพันธรรมม์มั้งมักเขามีคนที่เขียนอารัมพบทนําหน้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งเขาบอกว่า สรุแล้วมันยากครับงันโอ๊ยนึกว่าพูดให้คนไปเรียนเขาโอแ้แต่พูดตอนแรกบอกชมดีอย่างงั้นดีอย่างงี้แต่ตอนจบบอกอยากจบมาเลยไม่รู้พูดทําไมก็ไม่รู้ลบออกไปเอท้คําประเภทยอย่างนั้นนะไม่ได้ส่งเสริมศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรเลยเย น, นี่ยนะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกคำเหล่านั้นเรียกว่าขัดแย้งต่อคําสอนไม่ดีพันเราก็ต้องให้น้อมไปศรัทธาสิ เขามายังเห็นคุณเลยนะเขามาคิดถึงเมื่อ12ปีที่แล้ว11 12ปีที่แล้วอู้หู้อยากอ่านสติสัมปทาอยากเข้าใจสติสัมปทาอยากอะไรก็แค่สิบกว่าปีเองนะเรก็มานั่งบรรยายสติสัมิทานะถ้าอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหไ้ได้สปฏิวัติตามได้ก็แจวเลยนะมันก็ต้องขูร่องใจให้เป็นไปตามนั้นก่อนให้มีศรัทธาให้มีใจก่อนในที่สุดมันก็จเจริญได้ชาตินี้ไม่赖กับชาติหน้าแล้วจะรีบไปไหนวัดตามก็อยู่อย่างนี้เลย ถ้าไม่บรรลุไปไหนไม่ได้หรอกบอกวรีบมากบอกว่าเขาเร่งมากเขารีบมากจะไปไหนไปทําไมไม่รู้เหมือนกันก็จะไปเจริญแล้วคุณจะเจริญว่าอย่างไงเจริญให้มันเป็นอะไรแล้วจเจริญแล้วคุณจะรู้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าอยากจเจริญถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ใช่มรรคแปดละมั้งเพราะมรรคแปดมันขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นด้วยกวารความเข้าใจที่ถูกต้อง แลนะถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เข้าใจที่ถูกต้องขยันเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ภาคเพียรพยายามในการแสดงธรรมทั้งหมดเพราะเห็นว่าถ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจึงจะมีเพราะว่าศาสนานี้สุตตะเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เราก็อย่าเบื่ออย่าน่ายในการที่จะฟังเพราะการสุตตะจริงๆก็นับหนึ่งใน อริยรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่มีทรัพย์คือสุตะก็จะทําให้มีทรัพย์คือศรัทธาทําให้มีทรัพย์คือศีลมีทรัพย์คือฮิริโอตตะทรัพย์คือสุตะอันนี้จะเพิ่มพูนรัพย์คือปัญญาอริยรัพย์เหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะนําให้ออกจากทุกเหมือนคนในโลกมีพ่อข้ัพย์จึงจะพ้นจากทุกในโลกเนี่ยพ้นอย่างนี้ศีลเป็นต้นคนที่มีอริยทรัพย์ก็พ้นจากนี่คือ กิเลสบาปอากุศลฉันนันเนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนสมบูรณ์เพิ่มพูน ด, ด้วยอริยทรัพย์ทุกคนตรัสรู้ธรรมเป็มที่พ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันปฏิสัมพิธามรักนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อน